มีผู้ชายคนหนึ่ ง, ขงเขาเล่าว่าช่วงที่มีการล็อกดาวน์ที่กรุงเทพนะเมื่อปีที่แล้วตอนนั้นก็ล็อกดาวน์กันแบบเข้มมากวันนึงเนี่ยเขามองเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่บนถนนฝั่งตรงข้ามแล้วก็โบกมือเรียกแท็กซี่แท็กซี่ก็จอดนะแต่ว่าสักพัก แท็กซีก่ก็ไปต่อโดยที่ผู้ชายคนนั้นก็ไม่ได้ขึ้นรถแล้วผู้ชายคนนั้นก็บอกแท็กซี่อีกคันหนึ่งแท็กซีก่คนที่สองก็หยุดคุยกันสักพักแล้วก็ไปต่อโดยที่ผู้ชายคนนั้นนะไม่ได้ขึ้นรถเลย แล้วชายคนนั้นก็โบกต่อนะโบกแท็กซี่คันหนึ่งคันที่สามก็เหมือนกันเลยหยุดสักพักแล้วก็ไปต่อโดยที่ไม่ได้รับผู้โดยสารขึ้นนั่งเลยเป็นอย่างนี้คันแล้วคันเล่าก็ก็รู้สึกตำหนิในใจนะว่าแท็กซี่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีน้ำใจเลย คงเป็นเพราะว่าชายคนนั้นเนี่ยเขาคงจุดหมายปลายทางก็คงจะมันไม่ไกลไม่ไกลก็แท็กซี่ก็ได้เงินน้อยก็เลยไม่อยากรับพูดโดยสารแต่ว่าเขาก็อยากจะรู้ให้แน่ชัดนะมันอะไรกันแน่ทำไมแท็กซี่คันแล้วคันเล่านี่ไม่รับพูดโดยสารเลยเขาก็เลยข้ามถนนไป ฝั่งตรงข้ามนะแล้วก็ไปสังเกตก็พบว่าพอผู้ชายคนนั้นเนี่ยนะโบกให้แท็กซี่หยุดเนี่ยแกก็ไปเอาถุงข้าวเนี่ยนะในในร้านอนะเอามาให้แท็กซีนะ่ถุงข้าวก็ประมาณสักโลสองโลนะ เขาก็เลยเพูอ๋อชายคนนั้นเนี่ยไม่ได้โบกแท็กซี่เพื่อจะขึ้นรถนะแต่โบกเพื่อที่จะอเอาเข้าวสารมาแจกแท็กซี่แล้วเขาก็ไปดูใกล้ๆก็พบว่าร้านที่เขายืนอยู่ฮะใกล้ๆเนี่ยข้างในก็มีคนเนี่ยช่วยตวงข้าว ประมาณสองสามคนช่วยตวงข้าวใส่ถุงเล็กๆนะเพื่อเอาไปแจกให้แท็กซี่พอเห็นอย่างนี้นี่ความรู้สึกก็เปลี่ยนไปเลยนะอยากเดิมนี่ที่รู้สึกแย่ทำไมแท็กซี่เห็นแก่ตัวทำไมคนเราเดี๋ยวนี้มันไม่มีน้ำใจความรู้สึกเปลี่ยนไปเป็นความรู้สึกยินดีนะซาบซึ้งประทับใจว่า ผู้ชายคนนี้เนี่ยรวมทั้งคนในร้านนั้นด้วยเนี่ยมีความเอื้อเฟื้อนะเขาคงเห็นว่าแท็กซี่ช่วงนั้นเนี่ยลำบากหาลูกค้าไม่ได้ก็อยากจะอนุเคราะห์นะด้วยการเอาเข้าวสารมาแจกนะอย่างน้อยก็ช่วยลดรายจ่าย ความรู้สึกเปลี่ยนไปเพราะอะไรเพราะว่าเขาได้เห็นความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตรงนั้นนะถ้าว่าเขายืนอยู่ตรงที่เดิมบนถนนฝั่งตรงข้ามเห็นแล้วก็นึกตำหนิแท็กซี่ในใจแล้วเขาก็เดินจากไปเขาคงจะนะ เก็บความรู้สึกที่ไม่ดีเอาไว้แต่ว่ายัางดีที่เข า, เ อ, าอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรกันแน่นะพอเดินไปถนนฝั่งตรงข้ามก็เห็นภาพที่ใกล้ชิดเห็นเหตุการณ์ใกล้ชิดก็เลยรู้ว่าว่ามันเป็นเรื่องดีๆเ น, นี่ยเป็นเรื่องที่นับประทับใจไม่ใช่เป็นเรื่องที่แย่เลยเผล อ, อน้ำในแท็กซี่นะว่าไม่มีน้ำใจแต่ที่แท้ สิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าประทับใจนะที่หาได้ยากอันนี้เนี่ยถ้าหาว่าเขาไม่เปลี่ยนมุมมองนะยังมองตรงจุดเดิมเนี่ยเขาก็คงจะไม่เห็นความจริงซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีเหตุการณ์นี่มันก็เชื่อหเหตุอะไวนะวคนเราเนี่ย ถ้าว่าเราลองเปลี่ยนมุมมองสัหน่อยไอสิ่งที่เราคิดว่าใช่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้และสิ่งที่เราเชื่อมันแย่คนเห็นแก่ตัวไม่มีน้ำใจเนี่ยมันพลิกกลับเป็นตรงข้ามเลยบางทีจุดที่เรายือนอยู่เนี่ยหรือจุดที่เรามองอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ทำให้เราได้เห็นความจริงอ่า ที่ถูกต้องก็ได้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็มองตรงไหนยืนตรงไหนก็ก็เชื่อในสิ่งที่ตรงตัวเองเห็นตรงนั้นนะแล้วคิดว่ามันเป็นความจริงมันมีชายสองคนนะยืนประจันหน้ากันแล้วก็ก้มมองไปที่ตัวเลขนะบนพื้น เป็นตัวเลขตัวใหญ่ๆเลยนะตัวเดียวคนนึงบอกว่า น, นั้นเลข9อีกคนนึงบอกเลข6ต่างหากคนที่บอกรกว่าเลขเก้านี่ก็ยืนกรางมันเลข9้าแท้ๆอีกคนนึงบอกมันเลขหต่างคนต่างก็ยืนยันในสิ่งที่ตัวเองเห็นเสร็จแล้วพอเห็นต่างกันก็เป็นไงก็ทะเลาะ ก, กันแต่ที่จริงเนี่ยถ้าว่า แต่ละคนเนี่ยลองไปยืนตรงจุดที่อีกฝ่ายหนึ่งยืนอยู่นะก็จะเห็นแตกต่างไปคนที่บอกว่าเป็นเลข9้าเนี่ยถ้าเอาไปยืนตรงจุดที่อีกคนยืนอยู่ก็จะพบว่ามันเป็นเลข6กเนี่ยไอคนที่ยืนกันว่าเป็นเลข6เนี่ยถ้าไปยืนตรงจุดของอีกคนหนึ่งก็จะพบว่ามันคือเลข9้า ถ้าเห็นแบบนี้นะมันก็เลือกทะเลาะ ก, กันเออใช่นะตรงนี้มันคือเลขหกแต่ตรงนั่นมันคือเลขเก้านะถ้าไม่เปลี่ยนมุมมองนะหรือไม่เปลี่ยนจุดที่ยืนอยู่นะบางทีมันก็ไม่เห็นความจริงอย่างรอบด้านแล้วก็บางทีสิ่งที่เห็นจากจุดที่ตัวองยืนอยู่เนะี่ยมันก็ทําให้เกิดความรู้สึกแย่ๆก็ได้ ถ้าว่าไม่ลองเปลี่ยนจุดยืนหรือมุมมองอันนี้เรื่องราวของชายคนนี้เนี่ยก็ยังเชเห็นนะ ว, ว่าคนเราเนี่ยพอได้เห็นความเอื้อเฟื้อความมีน้ำใจแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขขึ้นมาจากเดิมที่รู้สึกแย่นะความรู้สึกเปลี่ยนไปเป็นความยินดีนะ ความประทับใจแล้วมันทำให้เกิดแรงจูงใจที่อยากจะทำความดีต่อไปเห็นชายคนนี้มีน้ำใจเอาข้าวในร้านมาแจากก็อยากจะทำความดีแบบนี้บ้างกับคนอื่นนะมันเกิดความใยดีเกิดความเมตตากรุณาขึ้นมา แล้วเกิดความสุขด้วยตอนนี้เนี่ยนะเวลาเราอ่านข่าวฟังข่าวเนี่ยมันก็มีแต่เรื่องแย่ๆนะความทุกข์ของผู้คนความเจ็บปวดแล้วก็มันมีเรื่องความเห็นแก่ตัวของคนจนํานวนไม่น้อยที่ช่วยประโยชน์นะจากความทุกข์ของผู้คนหรือว่าช่วยประโยชน์จากเหตุการณ์จนกระทั่งสร้างความทุกข์กับคนเป็นอันมากพอเห็นแล้ว รู้สึกแย่ห่อเหี่ยวคับแค้นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมายนะดยเพราะความมีน้ำใจของผู้คนความเสียสละไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ด้านหน้าหรือคนที่อยู่แนวหลังมีคนมากมายนะที่เขาเสียสละหน้าประทับใจถ้าเราได้เปิดใจหรือเปิดตารับรู้เรื่องราวของคนเหล่านี้บ้าง มันก็ทำให้เกิดความชุ่มชื่นใจนะมันเหมือนน้ำชโลมใจที่ทำให้หายหอเหี่ยวแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรานะเลือกรับแต่ข้อมูลข่าวสารแต่แง่เดียวซึ่งมีทั้งจริงแล้วก็ไม่จริงมแม้จะเป็นความจริงก็ตามนะแต่มันก็ทำให้หอเหี่ยวได้ถ้าว่าเราไม่ลองมองหรือเหลือไปมอง เรื่องเราแง่อื่นดูบ้างโดยเพราะเรื่องความเสียสละความเอื้อเฟื้อความกล้าหาญความมีน้ำใจมันจะทำให้เรานะมีกำลังใจนะแล้วก็มีความหวังแล้วก็มีจิตใจแช่มชื่นเบิกบานได้แล้วก็อยากจะทำความดีใหญ่ช่วยเหลือผู้อื่นต่อต่อกันไป